Yeah. <sweak>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 แม้แต่เวลาที่ตื่นก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้ตัวตลอดเราหลงมากกว่าเราไม่รู้ตัวมากกว่าตื่นกับล้มนี่มันเป็นเวลานะเราส่วนใหญ่ลราตื่นเป็นเวลาแล้วก็หลับเป็นเวลาแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยรู้กับหลงนี่มันไม่เป็นเวลามเวลานะ ไม่เป็นเวลามเวลาเลยเอาแน่เอาน้อยไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเราปล่อยให้สิ่งแวดล้อมนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจเรามันก็หลงมากกว่ารู้แล้วก็หลงบ่อยๆด้วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าหลงเนี่ยคือไม่รู้ตัว แม้เวลาเราตื่นเราทำโน่นทำนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้ตัวตลอดนะขนาดเราสวดมนต์เนี่ยการที่เราสวดมนต์ปากเราก็ว่าไปแต่บางทีเราทำด้วยความหลงก็มีนะก็คือตอนนั้นเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะใจลอยเดี๋ยวาไปคิดว่าคนที่หลงเนี่ยก็คือคนที่ เป็นบ้าหรือว่าเมามายหรือว่าสลบนะแม้ตื่นนะแม้ว่าทำอะไรหรือพูดอะไรรู้เรื่องเนี่ยก็ จ, จะทำไปด้วยความหลงสวดมนต์ก็หลงบ่อยเพราะว่าใจลอยโดยเฉพาะคนที่สวดคล่องนะไม่ต้องกางหนังสืออ่าน ปากก็ว่าไปจัดใจไม่รู้อยู่ไหนเวลาฟังนิยม ก, กันนะฟังเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ฟังด้วยความรู้ตัวนะบางทีก็มีความหลงแทะเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วก็บ่อยๆเวลาขับรถเนี่ยหลายคนก็ขับไปด้วยความหลงก็มีไอ้ที่ว่าหลงทางหลงทางเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักทางนะ แต่เป็นเพราะว่าขับรถไม่สังเกตไม่สังเกตป้ายป้ายเขาบอกให้ชัดเจนป้ายตัวใหญ่ๆแต่ตอนนั้นใจลอยแทนที่จะเลี้ยวก็ตรงไปแล้วก็เลยหลงตอนนั้นเรียกว่าในช่วงขณะนั้นเนี่ยมันหลง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 เช่นความโกรธบอลงมาป็นความโกรธเนี่ยก็าจะเผลอดา่าว่าหรือว่าถึงขั้นทำร้ายบางทีก็เผลอด่าว่าพ่อแม่เนเพราะว่าดื้อไม่ทำตามที่เราแนะนำป่วยเป็นมะเร็งปอด ก็ยังสูบบุหรี่แอบสูบเป็นเบาหวานก็ยังแอบกินของหวานข้าวเหนียวทุเรียนเงี้ยไอ้เราก็ห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่ฟังก็ยังเถียงว่าไม่ได้กินคราวนี้พอเห็น้ า, าเรียกว่าขาตาหรือกวก็โกรธนะก็เลยว่าออไป หลายคนก็บอกว่าไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าตอนนั้นมันเผลอไปอันนี้ก็ยงดีนะเป็นแค่ว่าร้ายพูดร้ายนะไม่ถึงขั้นทําร้ายแต่ว่าหลายคนก็ทําอย่างนั้นเรียกว่าด้วยความลืมตัวทําไมต้งลืมตัวก็เพราะตอนนั้นโกรธจัดนอาจจะ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 ทำร้ายเขาไป ถ, ถึงเสียชีวิตไปแล้วยิงเขาตายหรือว่าเอาไม้ฟาดจนตายเสียใจจากความโกรธมันกลายเป็นความรู้สึกผิดนะมันท่วมทนใจรู้สึกอับอายขายหน้านะถ้าเกิดว่าคนรู้หรือว่ารู้สึกกลัวอันตารายผลร้ายที่ตามมากติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียงทนไม่ไหวที่ต้องไปอยู่สภาเพเช่นนั้น ความรู้สึกผิดนะที่มันบีบคั้นใจทั้งความกลัวที่มันท่วมท้นตอนนั้นก็ลืมตัวอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ทําร้ายตัวเองเลยยิ้นตัวตายอย่างที่เราก็มักเห็นเป็นข่าวฆ่าเมียเสล็จหรือฆ่าชู้รักแล้วฆ่าตัวเองตายบางทีฆ่าลูกนะอันนี้เราว่าพอหลงแล้วก็ลืมแล้วพอลืมแล้วก็หลงเข้าไปหนักหนักเข้าไป หลงเพราะอารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นชั่ววูบแล้วก็ลืมตัวทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำแล้วพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็หลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยทำในสิ่งที่หนักกว่าเดิมแล้วหลงกับลืมนี่มันคู่กันนะคนไทยมึงใช้คาว่าหลงหลงลืมลืม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 พอถึงเวลาจะใช้โทรศัพท์นึกไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนนี่เรียกว่าหลงเข้าไปในความคิดแต่อย่างที่บอลนนะีหลงที่หนักกว่าคือหลงเข้าไปในอารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์โกรธ อ, อย่างเดียวนะความอยากก็เหมือนกันนะถ้ามากๆเนี่ยมันก็ลืมนะคนที่เห็นเห็นเงินเห็นธนบัตรปลึกใหญ่ หรือว่าเห็นสรนะ้อยเพชรวางอยู่บนโต๊ะอาจจะเป็นเพราะร้อนเงินหรือเพราะความอยากจะได้นะซื้อของบางอย่างเห็นของมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ลืมตัวนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความอยากมากมีความอยากมากก็ก็ไม่รู้ละ คว้าทันทีเลยอาจาะ เ, ะเะรี่าเผือคว้าก็ได้เพราะไม่ได้เป็นขโมยอาชีพตอนนั้นก็ลืมไหมนะลืมตัวแล้วก็ลืมว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดถูกจับได้แล้วก็เดือดร้อนภายหลังบางคนในความอยากไม่ใช่ความอยากได้ทรัพย์แต่มันเป็นความอยากในเชิงราคะใควรว่าหน้า ม, มึดนะก็ ลืมตัวไปทำํำมดีไมิลายซึ่งกับคนซึ่งบางทีก็เป็นคนที่ใกล้ชิดที่างส่วนใหญ่ไอ้ความการคดีที่เรียกว่าข่ามขืนกระทาชำเราเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนที่รู้จักกันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เยอะเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดนะกับผู้กระทา ไอ้เพที่ไม่รู้จักกันเนี่ยคนแปลกหน้าเนี่ยเทียบสัดส่วนแล้วน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่น้อยกว่ากรณีที่เหยอเนี่ยกับคนกระทํานี่รู้จักกันใกล้ชิดกันแต่ด้วยความน้า ม, มืดนะก็เลยทำโดยที่อาจจะไม่เฉลียวใจหรือโดยที่อาจจะลืมไปด้วยซ้าว่าทำกับผู้ที่เป็นผู้ยาวนี่ติดคุกจากสถานเดียว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 พราะถ้ารู้ตัวมันไม่ทุกข์หรอกออันนี้พูดเอาแปลกจะเอ้ยเวลาทุกข์มันจะไม่รู้ตัวได้ยังไงคนเวลาทุกข์ก็มักจะบ่นโอดครวนว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นทําไมชั้นโชคร้ายแบบนี้เนี่ยให้ดูมาเขารู้ตัวนะพอเขาทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่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 เธอก็เข้าคอสดูเป็นประจำนะและเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทาให้เธอเนี่ยทำใจได้จากการที่ต้องหย่าร้างกับสามีเธอคิดอย่างนั้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอไปเข้าคอสเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยจิตใจก็รุมร้อนมากเพราะว่าคิดถึงแต่สามีที่เธอยกหังหลังเธอใจเนี่มันบ่นกลด่าสามี เหมือนกับว่าเอาเวลาของเธอที่ดีๆไปถึงสิบเอ็ดปีเอาไปปุยปุยยำหมดกลายเป็นสิบเอ็ดปีที่ศูนย์เปล่ามันร้อนรุ่มจ น, นจนทั่งเธอก็แปลกใจว่ารือว่าทำใจได้แล้วที่จริงไ่ะเป็นเพราะว่าไอตอนก่อนที่มาเข้าคอร์สนี่เธอทำโน่นทำนี่มีอะไรทำเยอะแยะใจมันเกลยไม่ว่างที่จะมาคิดเรื่องสามี ที่ทะเลาะหักหลังแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันว่างนะไม่มีอะไรทำมากจิงไม่ไหวนกลับเป็นนึกวันที่สองก็ยังร้อนรุ่มเหมือนเดิมทุกมากเลยนะไม่มีความสุขมันหาความสงบเย็นไม่ได้เลยขณะมาเข้าคอสวันที่สาก็ยังร้อนรุ่มนะข้างแขน แปลกใจจนไม่ทาไมเป็นอย่างนั้นแล้ววันที่สามมีช่วงหนึ่งค่ะที่เธอกําลังเดินจงกรมเดินเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงเธอก็กุมมือไว้ข้างหน้าอยู่ในท่า น, นั้นเป็นชั่วโมงมันก็เมื่อยเธอก็ปล่อยมือพอปล่อยมือมันก็ความเครียดก็หายไปรู้สึกผ่อนคลายทั่วขนาดนั่นเองที่เธอ ได้คิดว่าโอ้โคนเราพอปล่อยแล้วมันก็สบายนะนะไอ้ที่เครียดพอไปยึดไปถือเอาไว้พอจะคิดตรงเนี้ยมันก็ใจมันก็โล่งไปด้วยเลยพอช่วเวลาั น, นึองที่เธอได้รู้ว่าไอ้ที่เธอทุกเนี่ยเธอเพอเธอเพราะว่าเธอไปยึดเอาไว้เรื่องสามีมันก็ผ่านไปแล้วนะมันเป็นอดีตไปแล้วก็ยังมวัวจะไปคิด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 ใจก็โล่งสบายตอนนั้นเนี่ยนะถึงได้รู้ว่าโอเป็นเพราะเราไปยึดเอาไว้ความทุกข์มันเกิดเพราะราไปยึดนะท่านมาถึงยึดทั้งให้ทุกข์เพราะไม่รู้ตัวเพราะนั้นมันหลงเข้าไปหนะลงเข้าไปในอารมณ์ความโกรธความแค้นพอโกรธแค้นแล้วเนี่ยอารมณ์ความโกรธนี่มันก็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 ก็คือเราทุกข์เพราะยึดที่ยึดเพราะหลงหลงเพราะถูกอารมณ์ครอบงำํำคือความโกรธความแค้นช่วงสามวันแรกเนี่ยที่เธอทุกข์เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ได้รู้ตัวว่าทุกข์นะแค่รู้สึกนะว่าทุกข์เจมันแค่เลอเกินแต่ไม่ได้รู้ตัวหรอกเพราะถ้ารู้ตัวแล้วมันไม่ทุกข์พอเธอรู้ตัวว่าแบกไว้เนี่ย เธอวางเลยนั่นเวลาทุกเนี่ยนะให้รู้ว่าเราทุกเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะเราหลงถ้ารู้เมื่อไหร่ไม่ทุกนะแต่ที่ทุกเพราะไม่รู้ตัวเพราะหลงหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะเหตุนี้เนี่ยการและพอหลงเข้าไปเนี่ยมันหาความสงบในจิตใจไม่ได้รอบตัวแม้จะสงบสงดไม่มีเสียงดังนะแต่ว่า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 แลาวทำให้เกิดตัวรู้ทีต่อเนื่องเป็นต่อเนื่องยืดยาวแต่ละวันของเราเนี่ยมันรู้มากกว่หลงมันยังหลงอยู่นั่งแต่ว่าก็ให้รู้มากกว่หลงอย่าให้หลงมากก็รู้ถ้าถ้าเรารู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้ทีขึ้นถี่ขึ้ น, นจนกระทั่งไปจนกระั่งขับไล่ความหลงให้หายไปทีเรน้อยทีเรน้อยทีเราน้อยเนี่ย